ผุทธังสร้ังนกรชา เวลาที่เราภาวนากันก็พยายามมีสติทำความรู้ตื่นอยู่ภายใน ทุกอย่างที่เรากำหนดอยู่ก็ต้องรู้อย่างมีปัญญาอีกขั้นหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในความสงบด้วยกายหรือว่าด้วยใจ เราก็ทำความระลึกรู้อยู่แล้วก็ไม่ยึดมั่นทั้งสองใจดันการภาวนาก่อนที่จะหมดคำว่าตัวตนหรือ ว, ว่าความยึดมั่นเนี่ยต้องละวางเป็น ไม่ว่าจะเป็นด้านรูปธาตุขันธ์หรือว่าจะเกิดธรรมอารมณ์สภาวะในนามมาทำทั้งหมดไม่ว่าจะเห็นเป็นรูปหรือว่ารูปเป็นนามก็แล้วแต่ ทั้งที่จับต้องได้และก็จับต้องไม่ได้ทั้งที่เป็นรูปยากรูปละเอียดเรามีแค่สภาพรู้เหมือนคำว่าทุกเนี่ยเราเรารู้ทุกแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปยึด ในความทุกข์ที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าเจริญสติทำความระลึกรู้ไม่ได้บอกว่าเจริญสติทำความระลึกรู้แล้วก็ยึดมั่นใหม่ไม่มีคำนี้ แ่นันคำว่าผู้ตื่นผู้รู้เนี่ยพวกเราก็ต้องอบรมกันอีกพอสมควรกว่าจะได้คำว่าเบิกบานหรือว่าจิตที่ไม่เศร้าหมองจนถึงชีวิต ที่เราได้ดวงจิตอันบริสุทธ์มาครอบครองแต่ไม่ใช่มายึดถือการครอบครองกับการยึดถือคนละแบบกัน <Okay. S 1> เรามีสิ่งนั้นได้แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปยึด <Okay. S 1> อย่างที่เรามีกายอยู่นะ แต่เราก็ไม่ต้องไปยึดกายยึดก็ไม่เที่ยงไม่ยึดก็ไม่เที่ยงแต่ว่าเราก็ต้องมีหน้าที่รักษาดูแลเท่าที่เราจะทำได้นี่ก็คือหมดหน้าที่ตรงนี้ยำเขาหิวก็หาอะไรให้เขาทาน ยามเขาเน็ดเหนื่อยก็ต้องหาเวลาพักผ่อนยามก็ร้อนก็หาร่มเงาหรือความเย็นมาบรรเทาเข้าไปนี่คือลักษณะที่อยู่ร่วมกันโดยไม่ขัดแย้งกันเขาเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่เราไม่ได้มายึดมั่นหมายว่าจะต้องเป็นไปตามที่เราจะให้เป็นหรือจะไม่เป็นตามที่เราไม่ต้องการที่จะให้เป็นหรือไม่เป็นไม่ได้ทุกอย่างเขามีขีด จำกัดอยู่ในตัวมันเองจึงบอกเออถ้าเข้าใจแล้วนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นการเจริญสติเจริญสติเพื่ออะไรเพื่อออบรมจิตทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดที่พวกเราฟังมาทั้งหมดที่เราภาวนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ตรัสเตือนว่า จงยาประมาทในธรรมเทินหรือจงยาประมาทในกรรมเทินมีทั้งธรรมแล้วก็กรรมเป็นคำใหญ่ทั้งสองอย่างจงยาประมาทในธรรมเนี่ยก็เราก็ต้องพิจารณาให้กว้างขวางยา อย่ามองอะไรแบบที่เป็นตัวตนนะต้องมองให้ให้เห็นเป็นสภาพธรรมะแล้วก็อย่าประมาทในกรรมก็คือเราจะทำอะไรนะก็ต้องใครครวนพิจารณาเพราะว่าสิ่งที่เราทำนะก็เปรียบเสมือนว่ากรรมที่เราก่อ แล้วสิ่งนั้นเองเราก็จะต้องได้รับผลในเรื่องของวิบากคือผลของกรรมนั้นพเราจเจริญสติก็เพื่อมาอบรมจิตอบรมจิตให้เกิดธรรมะ ไม่ใช่ให้เกิดราคะไม่ใช่เกิดโทสะหรือว่าเกิดโมหะแห่งความหลกจึงบอกว่าพวกเราเนี่ยยังหลับไหลกันอยู่ที่ตื่นก็คือเพียงอวัยวะร่างกายหัวใจที่เป็นก้อนเนื้อการรับรู้ ซึ่งเป็นเพียงของสัตว์โลกผู้มีบ่วงกรรมเท่านั้นเองแต่จิตแห่งผู้รู้ผู้ตื่นยังหลับไหลอยู่หลายคนนึกว่าตนนี้ตื่นแล้วจริงๆหลับหลับแบบสนิทเลยแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตา บางคนก็โจมอยู่กับความคิดจนเพอ้อฝันไปแล้วก็ไม่ตื่นมาก็เพอ้อฝันด้วยความคิดยามหลับก็ฝันเข้าไปในความฝันทั้งหลายในในิมิตทั้งหลายที่เกิดที่บอกเออ เมื่อไรสัตว์โลกผู้มีบ่วงกรรมจะได้ตื่นขึ้นมามองโลกนี้ด้วยความว่างเปล่ายมฟังคำนี้นะจะจะชัดชัดเมื่อไรสัตว์โลกผู้มีบ่วงกรรมจะตื่นขึ้นมา มองโลกนี้ด้วยความว่างเปล่าอันนี้ของพวกเราตื่นมานี่มองด้วยความเป็นตัวตนทั้งนั้นเลยขนาดทุกข์เนี่ยนะยังยึดถือว่าเป็นตัวตนเลยว่ายังเป็นเราเป็นของเราเลยเหลือเชื่อแต่มันก็จริง ยึดถือแม้แต่ว่าทุกข์ก็เป็นเราของเราดูดิบอกเออไม่น่าเชื่อจิตที่หลับไหลจนไม่รู้การเวลาไม่รู้สมัยน่าสงสารไม่รู้แม้แต่อายุข ข, ของตนเอง ที่เกิดที่ตั้งที่แปลที่เสื่อมที่ดับไม่รู้แล้วอย่างนี้พุทโธเกิดได้ไมโยมวา่าไม่ได้ขนาดบางคนนั่งพุทโธอยู่แล้วนะจิตก็ยังหลับอยู่นะปากบอกพุทโธพุทโธพุทโธ แล้วมันตื่นตรงไหนเลยโยมพุโทโธเนี่ยตื่นตรงไหนมันก็ต้องตื่นรู้ที่จิตเราและจิตของเราที่รู้เนี่ยรู้ด้วยความมั่นหมายหรือรู้ด้วยคำว่าปล่อยวางเนี่ยถึงอเออ พวกเรานี้ยังหลับไหลกันอยู่มีแต่พระอริยะเท่านั้นที่ตื่นท่านตื่นมาเห็นโดยความไม่เที่ยงแล้วของพวกเราพอคร ย, ยี่ตาขึ้นมาโอ้โหใช่เลยของกูอีกแล้วไม่ใช่เป็นสุขแต่ว่ามันเป็นความ ติดอยู่ในบ่วงกรรมโยมห่วงเท่าไหร่ยึดมั่นเท่าไหรเนะี่ยอิสระแดจิตวิญญาณนะ่มันจะค่อยๆหมดแล้วก็สิ้นคำว่าเสรีภาพบางคนจิตวิญญาณไม่เคยได้รับคำว่าเสรีภาพ ไม่เคยพบคำว่าอิสระเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยปลดปล่อยตัวเองไม่เคยปลดปล่อยผู้อื่นเสียดายเสียดายตรงที่ว่าเราทึกทัก ชีวิตในบ่วงกรรมมากเกินไปเราไปมั่นหมายชีวิตที่เรายังไม่รู้จักชีวิตและไม่เข้าใจชีวิตแต่เราอยากมีชีวิตอยู่ อยู่ไปทำไมบอกว่าบางคนกว่าจะรู้สึกตัวก็เหลือแต่ตัวแล้วบางคนกว่าจะเข้าใจชะตาชีวิตทุกอย่างดูเหมือนมันสูญเสียสูญสิ้นแทบหมดทุกอย่างแล้ว ีบบางคนใช้ชีวิตเหลือแค่หยดน้ำตากับคาบน้ำตาโอ้ต่มาว่าสิ่งนี้เราไม่ได้ต้องการหรอกมันคงไม่ใช่หรือว่าเหลือแต่ความบอบช้ำความเด็ดเหนื่อยหรือเหลือคำว่าความสิ้นหวัง แต่มาว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีสติคนที่รู้จากความผิดหวังยังดีกว่าคนที่ไม่รู้แม้แต่คำว่าความหวังคืออะไรอา้าวบางทีถ้าเป็นคำที่เราคิดแล้วเอามาเทียบดู อัตอมาว่าคนอกหักยังดีกว่าคนที่รักไม่เป็นนะโยมอะไรมันสูญเสียกว่ากันคนอกหักยังรักเป็นแต่ไม่สมหวังนะไอ้คนที่รักไม่เป็นเนี่ยเขายังไม่ได้รสชาติความจริงชีวิตเขายังไม่รู้จักด้วย เออมองอะไรก็ให้มันมีปัญญาเข้ามาช่วยบ้างเขาบอกว่าหลงทางเนี่ยเสียเวลาหลงติดยานี่เสียอนาคตแต่หลงพบภูมิชาติเสียจิตวิญญาณ ได้ยมรู้มาอะไรที่สูญเสียที่สุดการสูญเสียพบชาติมันใหญ่หลวงหนะลงทางเสียเวลาเนี่ยใช่ว่าเสียเวลาแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางและก็เดินใหม่ ลงติดยานี้เสียอนาคตแต่ถ้าเราเลิกยาเนี่ยเราก็ยังมีอนาคตที่จะเดินต่อถึงไม่สดใสมากแต่เราก็สามารถที่มีชีวิตอยู่อย่างคนปกติในสังคมได้ถึงไม่อยู่ในสังคม ที่สูงส่งแต่เราก็อยู่ในสังคมชีวิตที่เราจะอยู่ตามปกติได้แต่คนที่เสียจิตวิญญาณมีแต่คนทำร้ายตัวเองแล้วก็ไม่มีที่พึ่งแล้ว แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงมีแต่คนอยากตายพอสูญเสียจิตวิญญาณแต่บางคนสูญเสียโดยไม่รู้เนี่ยน่าเสียดายถีบอกบางคนกว่าจะรู้ว่าสิ่งนั้นมีค่าต่อเมื่อสิ่งนั้นจากไปแล้วแต่มาบอกทำไมคิดช้าจ้ะ ทำไมคิดช้าจังกว่าจะรู้ว่าสิ่งนั้นมีค่าต้องให้สิ่งนั้นจากไปแล้วบอกเออมนุษย์สัตว์มนุษย์ยังไม่สบมบูรณ์แบบอย่างบอกกว่าจะได้คำว่า สัตมนุษย์ผู้ประเสริฐ ย, ยากนะเมื่อคืนก็เพิ่งแสดงให้พระฟังออสัตว์มนุษย์พวกเรามาเรียกก็เป็นมนุษย์จริง มนุษย์ก็เป็นสัตว์นะเรียกว่าสัตว์มนุษย์แล้วก็อีกภูมิและสัตว์เดลฉ า, าิแต่เมื่อไรเราสมบูรณ์ดีขึ้นสัตว์มนุษย์ผู้ประเสรศิฐถ้าเราสูญเสียพบนั่นก็คือสูญเสียจิตวิญญาณ บางคนไม่รู้แม้แต่จะทำดีเลยมันสูญเสียขนาดในโยมบากก็เพิ่งบอกพระไปบอกถ้าท่านจะเป็นผู้ภาวนาที่แท้จริงจิตจะนิ่งสงบได้ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรแต่จะบอกให้ฟัง ท่านต้องมีสติตั้งจิตเป็นผู้ให้แล้วใจจะสงบได้เร็วแต่ถ้าจิตยังเป็นผู้ขออยู่มันเหมือนความมืดกำลังมาปกคลุมชีวิตของเราจนทำให้เราอึดอัดกระวนกระวายเราร้อนกระเสือกกระสนจนถึงคำว่าฟุ้งซ่าน จนเกิดความโกรธขึ้นมาก็มีแต่เมื่อท่านภาวนาตั้งสติจิตเป็นผู้ให้แสงสว่างสีขาวก็จะปรากฏในชีวิตของผู้ภาวนาความผ่องใสก็เริ่มเกิดจิตก็เริ่ม ปล่อยวางแล้วก็ได้คลายออกจากอุปทานทั้งหลายแต่ต้องไม่เสแสร้งต้องภาวนาแบบจิตเป็นผู้ให้จริงๆก่อนที่ท่านจะพบจิตเป็นผู้ให้ ท่านจะรู้จักจิตที่มีเมตตาที่อยู่ในภายในจิตของผู้ภาวนาก่อนไม่อย่างนั้นไปไม่รอดสังเกตไหมที่บ้องเราภาวนาแล้วจิตติดขัดอารมณ์ติดขัดแก้กันไม่หวาดไม่ไหวกำหนดกันไม่หวาดไม่ไหวก็เพราะว่า มันยังไม่ใช่พอจิตเป็นผู้ให้จริงๆแล้วคำว่าละวางเนะี่ยจะเกิดภายในจิตที่ท่านกำหนดรู้สภาวะที่ปรากฏตามความเป็นจริง แล้วคนคนนั้นก็จะรู้จักคำว่าพอจะเข้าใจคำว่าพอนั่นแหละคนที่ไม่เคยรู้จักคำว่าพอเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขในที่สุด ต่อให้มีอะไรมีอะไรและอะไรสักเท่าไรเมื่อจิตยังไม่รู้จักคำว่าพอหรือรู้จักคำว่าพอหรือพอใจคำว่าพออยู่เขาจะไม่มีความสุขได้เท่าไรก็รู้สึกยิ่งกระหายดื่มเท่าไรก็ยิ่งเมาหมาย นี่คือคนที่เสียภพชาติอิ่มไม่เป็นจนไม่ได้สติแลหละจิตห่างเหินจากทำไปเรื่อยเรื่อยห่างจากฝังไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืสุดท้ายก็จะไปเจอวังวนแห่งโอกคที่จะจมสัตว์ลงไปสู่ภพ ไม่ว่าภาะวะโอคะจมลงไปในที่สุดสุดท้ายก็จะเหลือคำว่าวกวนเวียนจมหายไปในความมืดของอวิชาที่ตนเองก็ไม่รู้ด้วยบอกเออ คนติดยายังเลิกได้หลงทางยังหาเส้นทางเปลี่ยนใหม่ได้แต่พอะลงพบชาติสูญเสียจิตวิญญาณไปเนี่ยทุอบอกเออสุดท้ายเขาจะสับสนว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเขาต้องทุกข์ด้วยและที่สุดไม่มีใครช่วยเขาได้ แม้ตัวเขาเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้จึงบอกเออที่สุดตนไม่เป็นที่พึ่งแล้วตนจะพึ่งใครในเมื่อตนยังพึ่งตนไม่ได้ด้วยกรรมวิบากที่ตัวเองสร้างไว้ยังไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งและไปหวังพึ่งกรรมคนอื่นไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ชี้บอกว่า ตนแลต้องเป็นที่พึ่งพวกเราฟังบ่อยอัตติอั ต, อตนโนนาโถนะฟังบ่อยตนแลเป็นที่พึ่งของตนแต่พวกเรายังอยู่ในวังวนถึงบอกเออพอภาวนาเป็นจิตจะเริ่มเย็นเพราะอะไรใจสงบจิตก็ร่มเย็น ใจว้าวุ่นจิตเร่ร้อนเรากำหนดภาวนาและเห็นแบบมันชัดเจนนยยอมถึงบอกหลักธรรมก็เหมือนหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ค่าปริมาณเราวัดได้ด้วยจิตของตัวเองมิหน้าจึงบอกใช้ชื่อคำว่าวัดสร้างวัดทำวัด บอกอวัดสร้างวัดเปลี่ยนเรือนจำเป็นเรือนรอธรรมเงี้ยที่ถูกคุมขังจองจำกลายเป็นดินแดนแห่งอิสระถึงบอกบางคนไม่เคยได้รู้เลยจตมาเคยเล่าโยมฟังไงว่า เคยแสดงธรรมไปโยมก็ก็มากราบอายุก็น่าจะหกสิบพอมากราบก็บอกว่าโยมพ้นโทษแล้วพระอาจารย์เจ้าค่ะบอกตอมาก็ลืมแล้วโยมติดข้อหาอะไรหรือหนี้ชีวิตคะ่ะ ก็าหาหนักนายโยมก็มีแต่นี่นันนนน่นนี่นี้ใช่หนีการพนันนี่หวยนี่บอล น, นี่ยืมการแล้วแต่นี่ธุรกิจพวกนี่ชีวิตนายโยมชดใช้อ ย, ย่างไงนะก็ชดใช้มาทั้งชีวิตเจ้าข่าแต่พอยโยมได้ฟังทำพระอาจารย์แสดง โยมเข้าใจแล้วว่าโยมจะหลุดพน้นพ้นโทษได้อย่างไรเช้าค่ะบอกเออโยมรู้ชะตาชีวิตเข้าใจกฎกรรมไม่นานวันโยมจะพบแสงสว่างจากจิตจากชีวิตที่โยมจ ะ, จะต้องก้าวดำเนิน ไปสู่เสรีภาพที่โยมต้องการหรืออิสระที่พ้นจากบ่วงทั้งหมดบอกดีแล้วโยมกว่าจะรู้อายุเท่าไหร่โยมหกสิบแล้วขาดปีนี้บแต่พูดตาใสาแล้วนะธมโมทนากับโยม ถ้ายมไม่ได้ฟังธรรมที่พระอาจารย์แสดงโยมก็ยังอยู่กับความมืดแล้วก็ไม่รู้ทนทางสว่างเหมือนกับเราจมชีวิตตัวเองอยู่กับกองทุกข์น่าสงสารอาตมาจึงบอกโยมว่าเราอย่าไปมั่นหมายว่าความทุกข์นี้เที่ยง หรือทุกนี้เป็นตัวตนของเราที่เราต้องยึดวางมันได้ก็วางละได้ก็ละสงบได้ก็สงบถ้าเดินออกมาได้ก็จงเดินออกมาแต่โยมก็ต้องพิจารณาใคร่ครวนฉะก่อน เขาเริ่มรู้แล้วก็ว่าพบภูมิชาติเกิดแก่เจ็บตายพระอริยะท่านไม่กลัวคำว่าตายท่านกลัวคำว่าแฮปปี้เบิร์ a เดย์ท่านกลัวคำว่าเกิด ท่านไม่กลัวนะครับ่ า, าตายแต่ท่านกลัวเขามาเกิดพวกเราอดข้าวครึ่งวันนี้กลัวตายละของท่านนเจ็ดวัน9ก้าวันเชิญไม่ตกใจไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะท่านรู้แล้วว่าถ้าท่านไม่รีบเพียรเพ่งภาวนาปฏิบัติ เพื่อมรักผลแล้วเนี่ยท่านต้องเกิดอีกความเกิดเป็นทุกข์และความเกิดเป็นทุกข์ร่มไปที่บอกชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ที่บอกเออปุณะปุณางังที่บอกความเกิดเป็นทุกข์ ถ้าเรายิ่งเข้าใจแล้วเราก็ไม่ปราถนายินดีชีวิตที่เราต้องมาเวียนจมอยู่กับความเกิดแก่เจ็บตายซ้สำซ้ำซากซากหมุนเวียนไม่รู้จบไม่รู้สิ้นไม่รู้จะกินจะถ่ายจะดื่มจะอาบ ที่สุดมนุษย์ก็จบสิ้นลงไปอีก <c oughs> แล้วก็ไปตามยะถากรรมอีกงบอกพระอริยะจึงบอกว่าท่านไม่ปรารถนาความเกิด ท่านปรารถนาความดับมากกว่ามนุษย์ผู้มีบ่วงกรรมมากยินดีต่อความเกิดทางที่ความเกิดเป็นทุกข์ก็ยังได้ยังกำหนดไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้กำหนดรู้เนี่ยถึงพมจิตพูมธรรมเนี่ย สัตว์มนุษย์กับมนุษย์ที่ประเสริฐจะต่างกันสัตว์มนุษย์เวลาพูดยังมีเข็นฆ่ากันอนะยังมีจับอาวุธสาตราขัดผลประโยชน์ก็ทําลายล้างผลาญกันย่งชิงอํานาจก็มีการเข็นฆ่าแบ่งขั้วกัน มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนั่นคือภาษาของสัตว์มนุษย์แต่มนุษย์ที่ประเสริฐเขาไม่พูดอย่างนั้นเขาไม่ได้มองว่านั่นคือสมบัติแต่เขามองนั่นคือวิบัตินั่นไม่ใช่คือการให้แต่นั่นคือการขอ ถ้าผู้ภาวนา น, นั่งมีจิตเป็นผู้ขออยู่อย่างที่บอกไว้เบื้องต้นสงบได้ไม่จริงจริงจริงไม่ได้สงบอย่างแค่ข่มไว้หรือระ ง, งับไว้สุดท้ายมันก็ปรากฏขึ้น บ่วงกรรมนั้นก็ปรากฏขึ้นความมืดก็ครอบงำเข้ามาอีกพอเรามีจิตเป็นผู้ใหนะ้พระโพธิสัตว์ก็คุ้มครองเราแล้วอยู่ภายในพอจิตจเจริญเมตตายอยู่นั่นก็คือโพธิสัตว์แล้วนะยมรู้ไหมโพธิสัตว์ เกิดจากอะไรเสมือนมารดาเลี้ยงดูบุตรเสมือนมารดาให้ชีวิตบุตรไม่ได้ขอบุตรนะนใครที่ภาวนาแล้วมีเมตตาอยู่ นั่นคือหัวใจของโพธิสัตว์ไม่ได้หมายถึงว่ารูปร่างว่าใครมีรูปแบบนี้เป็นโพธิสัตว์ไม่ใช่แต่หัวใจต่างหากที่จะเป็นหรือไม่เป็นไม่ใช่รูปกายว่าหญิงหรือชายแยกไม่ได้ ถึงบอกเออการภาวนาในที่สุดใจที่จะละใจที่จะวางได้ต้องให้ก่อนจะมาก็เลยมาทบทวนทำไม บารมีสามสิบทานบารมีเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทำไมไม่ใช้มาปัญญาบารมีขึ้นก่อนจะมาบอกถ้าใช้ปัญญาบารมีก่อนเด็กตายหมดโลกแล้วพอเริ่มเกิด ทานบารมีก็ต้องเป็นผู้หล่อเลี้ยงก่อนแล้วน้ำนมขนมนมเนยทั้งหลายก็ต้องป้อนให้ก่อนต้องมีผู้ให้ก่อนโลกนี้จึงอยู่ได้แม่ ให้นำนมต่อบุตรเริ่มจากทานก่อนสายสะดือหรือว่ารกกันแล้วแต่ที่ว่าก็เป็นการให้อาหารที่อยู่ในครั้ของบานดานั่นก็เป็นทานบารมีตั้งแต่อยู่ในครั้นแลวนะอยู่ในท้อง พอคลอดมาปุ๊บ ก, ก็เริ่มให้แล้วเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคขนมนมเ น, มนยธรมาบอกเออให้จริงจริงเริ่มจากทานบารมี จนถึงปรมัตถบรมีฐานสละสิ่งที่ยากที่สุดแม้ชีวิตทุกอย่างพอถึงขั้นปรมัตถแล้วก็ยูนเนื้อทุกอย่างสละได้หมด บารมีจริงครบแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโยมเคยได้ยินชาดกเรื่องพระเวสสันดร น, นั่นแหละกันหาชาลีมัสสีพระเวสสันดรพ่อแม่ลูกพระองค์บำเพ็ญสละแม้แต่เลือดเนื้อเชื้อไขแก้วตาดวงใจ ในชีวิตของตนเองมันก็สุดแล้วอยู่มนุษย์กิเลสมากเท่าไหร่ก็เห็นแก่ตัวมากเท่านั้นมีแต่ขอมีแต่อยากได้ถ้าให้หนึ่งต้องได้สองให้สองต้องได้สเป็นอย่างน้อย น, นั่นไม่ใช่คือให้ทานมันเป็น การให้แบบธุรกิจจึงไม่เกิดบุญเห็นไหมยอมจะมามาตั้งข้อสังเกตคนสร้างบ้านหลังใหญ่ๆเป็นขาเรื่องหาดหลังโตๆโตหมดเป็นร้อยเป็นพันล้านไม่มีใครเดินผ่านยกมือโมตนาสาธุด้วยเพราะ นั่นเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวเขาทำเพื่อตัวเองทำเพื่อครอบครัวของตัวเองทำเพื่อบริวารตัวเองยังไม่เป็นบุญอย่างแต่พอเราทำเป็นการกุศลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเห็นไหมโอ้ทำฝ่ายเสร็จ หมดไม่ถึงล้านพอใครรู้ก็โมทนาสาธุรถวิ่งผ่านเป็นร้อยเป็นพันคันใครก็วิ่งได้ไม่ใช่เป็นของส่วนบุคคลเป็นของสาธารณาชนบุญกุศลเกิดตรงนี้เขาจิงโมทนากันและคนที่ทำก็เป็นผู้ให้ใจตรงนั้น บุญก็เกิด เ, ออเงินตรงที่ทำไปที่จ่ายไปมีคนกล่าวสรรเสริญว่าเป็นผู้ให้ด้วยจิตเป็นกุศลดีแล้วถบอก เออเราจะมีเงินเป็นพันล้านกี่ล้านก็ตามถ้าเราใช้เพียงส่วนตัวบุญไม่เกิดเพราะประโยชน์ส่วนรวมนะ่ไม่มีจะมีที่ทางสักกี่ปแปลงกี่ไร่ไม่มีใครมาโมทนากับเราเอาโยมดูของอส่วนเจ้าเชษเชตะวานารามนะ ทุกวันนี้ก็ยังมีชื่อวัดเชตุพนบางวัดก็ชื่อเวรุวันวัดเวรุวันสวนไผ่ที่พระเจ้าเป็นบีสารถวายต่อพระเดจ้าเป็นที่อววายให้กับสง เป็นบุญกุศลจนมีชื่อถึงทุกวันนี้อนาบิไดกะเศรษฐีใช้ทองคำนิปูให้เต็มจึงยอมขายแต่ทางเข้าออกไม่ขายขอให้เป็นชื่อของตัวเองก็ยอมแต่ทุกคนก็รู้ว่าใครเป็นคนซื้อยกเว้นทางเข้าเท่านั้นเอง ขอให้มีชื่อตัวเองไว้มากส่วนเจ้าเชษเฐชุพนก่าวก็ยอมก็ให้ประโยชน์ก็ตกมาถึงรุ่นสู่รุ่นนางวิสาขาก็สร้างวัดใช่ไหมแต่บอกเออเอาเครื่องประดับ ขายแล้วก็สร้างวัดนอกนี้ทรัพย์สมบัติที่ผู้อื่นเขามีมากมายเป็นบุญไหมเปล่า เ, ลเป็นแค่มรดกตกทอดสู่รุ่นสู่รุ่น แต่ไม่เคยเป็นบุญเลยทีบอกเออคนมีปัญญาเข้าใจการสมัยเวลาชีวิตความเกิดที่มีค่าความตายที่มีชื่อบางคนเกิดมาค่าก็ไม่มีตอนตายชื่อก็ไม่ถูกกล่าวอีกเลย แค่สามวันชื่อหายไปเลยในโลกแบนนี้ชั่วกับชั่วกันแต่ชื่อนางวิสาขายังอยู่ที่นี่อนาบินดิกาเศรษฐีก็ยังอยู่พระเจ้าพิมีสารก็ยังอยู่ที่กล่าวตรงนี้ไม่ได้กล่าวว่าเป็นผู้ร่ำรวยหรือกษัตริย์แต่กล่าวว่าพระองค์ได้เป็นผู้ได้สร้างบุญบารามี จนเป็นที่กล่าวขาดจนเป็นที่เลื่อมใสแม้แต่เทพก็ชมองค์พรมก็สรรเสริญพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนานันทยะมานพก็ได้สร้างศาลาขึ้นมาหลังนะพิสุมาในทิศทั้งสี่ก็มาภาวนาบำเพ็ญได้ จนปราสาทของตัวเองปรากฏอยู่ในสวรรค์ทั้งที่ชีวิตยังมีอยู่แต่ปราสาทรอเจ้าของที่จะขึ้นไปเซววิสุขเห็นไหมอยู่พระโมคคลลาก็แปลกใจว่าจริงเท็จแค่ไหนคนไม่ตายแต่วิมานทองมารอรับอยู่แล้วนะ พระเดจจ่าก็บอกเธอเห็นแล้วมาถามเราอีกทำไมสงสัยโยมดูเถอฉะนั้นใครที่สร้างบุญบารมีเริ่มเป็นผู้ให้อาตมาพูดคำเดียวว่าบุคคลนี้เป็นผู้ไม่จนในภายภาคหน้าบางคนดูว่าจนอยู่ในปัจจุบันแต่จะมาบอก เราจะไม่ตกต่ำกว่าชาติที่แล้วมาแสงว่าภูมิเก่าเราไม่ดีผลที่อยู่ปัจจุบันจริงไม่ดีแต่ถ้าเราทำปัจจุบันดีอย่าลืมจะมาบอกไงว่าอดีตส่งผลสู่อนาคตส่งผลมาสู่เรา หรือจะพูดในอนดีตส่งผลมาสู่ปัจจุบันที่เราอยู่ปัจจุบันจะส่งผลไปสู่อนาคตรหรือวันข้างหน้าภาวนาไปเรื่อยจิตพอรู้คำว่าให้คืออะไรทานคืออะไรพอเข้าใจท่องแท้จะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเปล่าเบิกบาน แล้วก็จะเป็นจิตที่สว่างจัดว่าเป็นบิน ญ, ญานขาวที่ประเสริฐถ้าเคยเป็นเสือก็เป็นเสือขาวแล้วเป็นฝ่ายเทพไปแล้วแล้วค่อยๆเปลี่ยนสัตว์มนุษย์เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ จนประเสริฐเป็นเทพเป็นพรหมจนถึงเป็นอริยะธมาก็เลยกำหนดว่าทำไมผู้คนภาวนามไม่บรรลุแล้วทำไมจึงมีผู้ภาวนาบรรลุเราต้องใช้ปัญญาสงบอย่างเดียวเนี่ยได้แค่ชาติ แต่ยังไม่เป็นที่สุดของพุทธศาสนาเราจะต้องทำให้เหนือกว่าความสงบแค่ฌานต้องสงบจากกิเลสจึงเรียกว่าเป็นสมุจเฉทในการประหานกิเลสอย่างสิ้นเชิงเริ่มต้นเราสงบจากฌานได้แต่ที่สุดต้องสงบจากกิเลส ต้องเข้าใจด้วยนะภาวนามีสองสเตป ต, ตรงนี้เริ่มต้นสงบจากฌานจะเป็นรูปฌานอรูปฌานกันแล้วแต่แต่สุดท้ายต้องสงบจากกิเลสโดยมีปัญญามาเป็นตัวภาวนาด้วยจึงบอกภาวนาให้เกิดปัญญาวิปัสสนาให้เกิดความรู้แจ้ง ในสัจจะความจริงทั้งหมดสุดท้ายโยมจะพบที่สุดก็ว่างเปล่าแต่ถ้ายังไม่ถึงอย่าเพิ่งพูดคำเหล่านี้สับสนเพราะอะไรเพราะมนุษย์ต้องผ่านสมมุติก่อนพิจารณาใครโครวนจนเข้าถึงเข้าใจสมมุติไปสู่ความวิมุต อินทรีย์ต้องแก่ต้องอบรมไปเรื่อยเรื่อยสะสมบุญบรารมีและเราก็กำหนดได้ทานศีลภาวนาตัวเรามีแค่ไหนใจเป็นผู้ให้ทานสติในการรักษาศีลการภาวนาปัญญาของเราเรู้แจ้งจิตแค่ไหน รู้ชีวิตกับธรรมะเข้าใจกันลึกซึ้งแค่ไหนถ้าเข้าใจลึกซึ้งสุดท้ายชีวิตสุดท้ายก็ว่างเปล่าธรรมะมาบอกเราว่าในที่สุดทุกอย่างท่านต้องรู้จักละวาสุดท้ายท่านต้องรู้จักจิต ที่ว่างเปล่านั่นคือสิ่งที่เราจะพ้นจากคำว่ บ, บ่วงกรรมทั้งหมดแต่ว่าแรงกรรมของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันสติปัญญาการอบรมก็ยังไม่เสมอกันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งบรรลุแล้วก็เดินจุงลูกจุงหลานบอกไปบรรลุตามกันแต่มาเคยเจอเด็กอยู่คน อายุประมาณหกเจ็ดขวบคุยไปคุยมายังไงไม่รู้มากับผู้ใหญ่อยู่บอกพระอาจารย์ให้ผมนิพพานคนเดียวเด็กพูดบอกไอโนพูดใหม่ทีให้ผมนิพพานด้วยสักคนนี่เข้าใจว่าจะไปดูหนังหรือเปล่านะ ให้ผมไปนิพพานด้วยเด็กเขาพูดภาษาเด็กแต่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ฟังแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจผมขอนิพพานคนเดยแล้ ว, หวให้ผมไปนิพพานด้วย ถ้าให้ได้ผู้เดยเจ้าให้ไปแล้วเราให้อะไรได้ทานวัตถุยกให้ได้หมดแต่ให้นิพพานกับใครเนี่ยไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดด้วยปัญญาบารมีไม่เกิดจากเรื่องอื่น ถ้าเรายังไม่ถึงอย่างบางคนได้แค่ทานบางคนได้แค่ศีลอย่างต้องอบรมต่อไปอีกเช่นพวกเรายิ่งภาวนาไปสุดท้ายสว่างไหมตัวเรามันอึดอัด เราร้อนมืดไหมกุดหงิดฟุ้งซ่านไหมอาการเหล่านี้เราก็พอตรวจได้พอจะวัดได้เรากำหนดได้ชีวิตเมื่อปีก่อนเดือนก่อนเป็นอย่างไงเดือนนี้ตอนนี้ปีนี้เป็นอย่างไรเราสามารถวัดในระดับจิตภูมิธรรมได้ อารมณ์เยือกเย็นลงไหมจิตใจปรุงแต่งมากัหมพอเป็นไหมรู้จักพอไหมถ้าไม่รู้จักยังห่างไกลจากสัจธรรมอีกเยอะมากคุณจะจบอะไรมาคุณจะมีฐานะแค่ไหนก็ตามเป็นผู้ห่างไกลต่อาศาสนาอีกอีกมาก อาจจะต้องพวกอีกหลายภูมิภพชาติเข่นพวกเราก็อย่าประมาทในธรรมและอย่าประมาทในกรรมภาวนาไปแล้วเราจะรู้ว่าพุทธโธอย่างจริงจรแต่มาตอนนี้นั่งบางทีก็ไม่ภาวนาอะไรเลยพุทธโธก็ไม่มีลม ก็ไม่ได้กำหนดแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายว่าไม่ได้กำหนดทำและทำมาเยอะแล้วตอนนี้ใช้สติทำความรู้ตื่นอยู่ภายในนิ่งสงบและพิจารณาขั้นต่อให้รู้ตื่นเฉร็จแล้วใช้ปัญญา ทุกอย่างให้ว่างจนถึงที่สุดสุดท้ายก็ว่างเปล่าแม้ตัวตนของเราแม้เสียงแม้ลมหายใจแม้แต่ความคิดนะความรู้สึกสุขทุกข์อดีต ทุกอย่างมันค่อยๆดับในที่สุดสุดท้ายเราไม่ควรยึดอะไรเลยแม้แต่ตัวเองมีแต่ทำเท่านั้นเบิกบานว่างเปล่าไม่ต้องไปปรุงอะไรอีก ที่สุดสังขารนี้ก็แตกดับไม่มีอะไรเป็นที่ยึดเลยเกิดอีกก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้มีแต่ทุกขที่เกิดทุก์ที่ดับเท่านั้นภาวนาให้จริงๆแล้ววันหนึ่งก่อนโยมจะเข้าใจคำเหล่านี้น้ำตายโยมจะไหลหลายๆครั้งก่อน มันจะล้างแต่มาก็บอกไม่ถูกสันไหลไว้ล้างจานแต่น้ำตามันมันไม่ใช่เสียใจนะมันเป็นไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่ามันต้องไหลมันมันชาบซึ้งมั้งหรือว่ามัน มันเป็นภาษาธรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกถ้ามาตอบไม่ได้สมมติคำนี้มันตอบไม่ได้หรือมันเป็นเพลงชีวิตสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องดีด้วดยน้ำตาเนี่ยเราก็ไม่รู้พระอินดิบสายพินใช่ไหมแต่ว่าน้าที่ไหลออกมาจากชีวิตที่เรารู้จริงๆและมันสะท้อนออกมา หรือมันบอกเราว่านี่คือชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่าเราจะทราบสิ่งแล้วก็รักพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าขอรอบพระพุทธเจ้าและเทิดทูนพระเจ้าเป็นผู้ อยู่ในสปปรรพสิ่งทั้งหลายเพราะพระองค์เป็นผู้บอกความจริงทุกอย่างและไม่เคยขออะไรเลยเพราะพระองค์มีจิตอันว่างเปล่าไปแล้วจริงไม่มีอะไร ถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้รู้จนเรารู้สึกว่าต้องตอบแทนพระองค์ยังไงดีสุดท้ายเราก็ต้องเอาธรรมะที่ภาวนาก็ามาบอกกันว่าพวกเราจะต้องเดินทางแล้วอย่าเสียเวลาอย่าอ้อยอิง อย่าพิรัยรำพันกับสิ่งไร้สาระอย่าไปทึกทักมันมากไปคนทึกทักชิดมากไปสุดท้ายก็ร้องเสียงดังทั้งนั้นเชื่อไหมล่ะพอได้แล้ว เราเข้าใจแล้วใจมันค่อยๆสงบลงเชื่อไหมว่าไม่ต้องบอกพุทธโธลมเข้าลมออกมันสงบจริงๆมันสงบเองเลยมันเหมือนสัตว์ที่ที่มันถูกฝึกเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเชื่องเลยแลวไม่ต้องไปยกแส่บอกเดี๋ยวตีนะถ้าไม่ทำตามไม่ต้องแล้วมันหมอบก่อนแล้วพอลุกขึ้นมันก็ลุก พอเก้ามันก็จะเก้าตามแล้วมันต้องบอกตามมานะไม่ต้องมันรู้แล้วมันจะต้องเดินไปไหนไม่ต้องตีมันแล้วจิตตรงนี้มันสงสารในความเกิดชีวิตที่เกิดแล้วไม่ต้องตีเลยไม่ต้องไปด่ามันแล้วมันรู้หมดแล้วบางคนต้องเคี่ยนก่อนนะเชื่อไม่เชื่อ กลัวไม่กลัวไม่ทำตามใช่ไหมต้องใช้โทษทันก่อนขมแต่พอจิตถึงตรงนั้นแล้วก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรเลยเขาสงบแล้วเซตมาจึงบอกเมื่อไหร่จิตเราจะสงบจริงๆเสีที เราสงบจากการกําหนดภาวนาแค่นี้หรือเดี๋ยวแวบบนั่นแว บ, บนี้บอกแต่ว่าใหม่ๆต้องอาศัยก่อนแต่พอถึงจุดหนึ่งพอมีปัญญาเข้ามานะองค์ภาวนาจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เราเราเข้าใจว่าต้องพุทโธดูลมเข้าลมออกตลอดแล้วจะเกิดปัญญาองค์ภาวนาจริงๆก็คือจิตที่รู้ อย่างสติที่ระลึกได้นั่นแหละคือภาวนาจริงๆอางนะข็สมควรเวลาขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน